165ธรรมกายหรือพรหมกายคือผู้ตื่นตื่นจากฝันเพราะสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ยืนอยู่บนฐานแห่งความจริงทั้งสมมุติสัจจะและประมาทสัจจะครบถ้วนยืนยันได้ทั้งองค์ประกอบของรูปและนาม พิสูตรความเป็นกายที่สมบูรณ์ด้วยธรรมมที่ปไตยหรือธรรมกายก็เรียกพรหมกายก็เรียกผู้ที่มีกายเป็นธรรมะหรือมีกายเป็นพรหมนั้นคือผู้ที่มีองค์ประชุมของรูปกับนามที่เป็นภูมิสูงสุดสมบูรณ์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคำว่าธรรมกายหรือพรหมกายนั้น หมายถึงผู้มีกายอันเป็นธรรมะสูงสุดหรือเป็นพรหมสูงสุดผู้ที่เป็นสาวกภูมิจึงไม่ควรบังอาจเอาไปเรียกตนเองพลอยๆถ้าอย่างน้อยคนผู้ใดมีภูมิถึงขั้นอรหันแล้วจะเรียกว่าตนคือผู้เป็นธรรมกายก็ยังพอฟังพอรับได้ สมควรที่จะเรียกได้เพราะเป็นผู้มีพุทธธรรมเต็มครบรอบแห่งความเป็นคนเป็นมนุษย์จริงแล้วรอบหนึ่งเป็นอนุพุทธอนุพุทธคือส่วนหนึ่งส่วนน้อยของคนผู้นี้ก็มีภูมิธรรมเต็มความเป็นพุทธสมบูรณ์แล้วในความเป็นคนขั้นต้นซึ่งเป็นระดับปริสตังของคนผู้ใดผู้หนึ่ง ที่ควรพึงมีให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าปฏิบัติอย่างไม่มีขอบเขตต้องตามขอบเขตที่เรากาหนดเอาแต่พอเหมาะแก่ตนปฏิบัติได้ผลแล้วจึงจะเพิ่มขอบเขตของขนาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับปริตังคือความประมาณให้เหมาะกับตนมีขอบเขตจำกัดให้ตน ตรงกันข้ามกับอปปมาณหรืออปปมานญาซึ่งหมายถึงไม่มีประมาณหรือประมาณไม่ได้พุทธต้องมีประมาณไปตามขั้นต้นกลางปลายอย่างสามมาทิฐิที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากตามแบบพระพุทธเจ้านี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในโลกมีแต่ในแบบของศาสนาพุทธเท่านั้น